<c oughs> หาที่ให้เหมาะๆว่าจะนั่งเก้าอี้ก็นั่งดีๆนะให้เก้าอี้ตรงๆนะเดี๋ยวเก้าอี้พาล้มเลยเข้มไปนะครับ้มไปงนอโนดนเก้าอี้พาล้มนะ <c ười> นั่งให้สบาย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 กรรมสกมหิกรรมทายาทโขกมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระโนติอิมัสธรรมะปริยัจสาอโธสาทายัสมันเตหิสกจังธรรมโอโสตโบตีาเขาที่นั่งสมาธิเยสมาธิ สมาธินั่งผู้เมตขัดสมาธิก็นั่งให้สบายสบายแต่งกายสบายที่สุดตามนั่งขัดสมาธิก็เอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ า, ายามือขวาวางทับมือซ้ายให้ปลายหัวแม่มือจ ด, ดกันพอดีไม่ให้ทับ เกยกันนั่งขัดสมาธิเพชรตามแบบที่พระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิใต้ต้นศรีมหาโพนี่ขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวากอ่อย่าค่อยเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายจะเห็นฝ่าเท้าบนตัก ทั้ ส, สองข้างเหมือนหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรในโบสถ์วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร่เขาเรีย ว, ว่าหลวงพ่อเพชรเพราะท่านนั่งขัดสมาธิเพชรตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงตั้งใจให้ตรงคือตั้งสติตตรงกับความรู้ พอไปถึงใจให้น้อมนึกระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำไมจึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพุทธะพระพุทธเจ้าแท้คือพระ ทำและพระส์รวมกันรวมลงที่พุทธโธพุทธโธคือใจเรียกว่าใจรู้ตื่นเบิกบานด้วยยานนด้วยญานทัศนะวิสันบริสุทธ์นั่นเรียกว่าพุทธะคือความเป็น ผูร้รู้ตื่นเบิกบานก็คือใจนั่นน่ะไม่ได้ว่าอย่างอื่นรู้เนื้อหนังมังสังผมคนเล็บฟันเขาไม่ได้รู้อะไรต่ ใ, รใจน่ะที่รู้รู้อยู่ภายในของเรานี่แหละรู้อยู่ตรงกลางหน้าอก ร, รู้อยู่ทั่วตัวของเรารู้สึกความรู้สึก รู้อยู่ตรงไหนน่ะใจอยู่ตรงนั่นแต่ก็พยายามรวมเอาความรู้เอาใจรู้ที่ตรงกลางหน้าอกอตรงกลางหัตถัยหมากหัวใจเนื้อหัวใจตรงกลางหน้าอกหรรู้ตรงดั้งจ ม, มูกลมเข้าลออมออกเรียกว่า น้อมเข้าม า, าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นรู้ที่ใจอยู่ที่ใจของเราปลูกศรัทธาจนเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ปฏิสถานพุทโธพุทธ พระพระพุทธเจ้าจะทับนั่งอยู่ตรงกลางที่ใจของเราลู้ๆนี่แหละพระธรรมเราพระธรรมคือสัจธรรมความเป็นจริงหรือสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสวด อาทยายวัสวาขาโตระกะวตาธรรมโรรมตทำพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิิโกจะพึงรู้เองเห็นเองปฏิบัติเองอาการิโกให้ผลไม่มีการไม่เรียบการเวลาเศ้าสายใบเย็น อาการิโกเอหิปั ส, สิโกพิสูได้ค้นคว้าหรือปฏิบัติเพื่อให้รู้ความจริงได้โอปนญิโกอยู่ที่ใจของเรานี้อยู่ที่กายของเรานี้พระธรรมรูปกระ ร, รม คือร่างกายทั้งหมดนามธรรมคือใจรู้ๆทั้งสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเป็นพระธรรมมีใจของเราเท่านั้นรู้พระธรรมรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติและปฏิบัติเพื่อเข้าไปถึงความดับทุกข์เรียกว่าอริยสัจธรรมปัจจัยเท่านั้น เป็นผู้รู้อย่างหื่นไม่รู้เนี่ยนังมังสังอวัยวะต่างๆในกายของเราไม่รู้มีใจอันเดียวรู้เรื่องของพระธรรมความสุขความทุกข์ความเกิดความดับนี่เชงว่าพระธรรมอยู่ที่ใจตู้พระไตปีดก อยู่ที่ใจคาพีพระคาพีใหญ่คาพีที่สวงอกของเราเนี่แหละพระสูตรพระประมัตพระพระพิธรรมพระวินัยอยู่กายกับใจโดยเฉพาะอย่างนี้ใจนั่นะเป็นฐาน ของพุโทโธธรรมโมสังโฆพระสงผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจีปฏิปันโนก็ใจเราเป็นผู้ลูกลู่ปฏิบั ต, ติตรงรลู่ปฏิบัติชอบลู่ปฏิบัติออกจากความลุ่มหลงเรียกว่าลู่ปฏิบัติออกจากทุกนี่คับ รู้ที่ใจในั่นจึงรวมว่าพุทธโธธัมโมสัมโคที่ใจให้ศรัทธาให้ความเชื่อของเราพุทธโธธัมโมสัมโคพุทโธธัมโมสังโคพุทธโธธัมโมสัโโมโคที่ใจจริงๆแล้วสติหนึ่งสาคัญสติเป็นธรรมคุ้มครอง สติแล้วรู้ลูคุ้มคองใจคุ้มครองผู้ลูคุ้มครองผู้รับลู้คุ้มคองจิตค่ ม, ค ม, คคคมนึกคิดเกิดสติ่ะคุ้มครองให้รวมกลมเกินกันอยู่จุดใดจุดหนึ่งถ้าเอาตรง ปลายจมูกจ่อเข้าไปที่ปลายจมูกรูกอยู่ตรงนั้นแต่อย่าเก้งอย่ากดอย่าเตงให้รู้แล้วลึกรูกก้ธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ให้ต้องให้รู้ทันว่าความรู้มันจะตามสัญญาตามสังขารออกไปเรื่องอย่างอื่น ให้มันอยู่กับสัญญาพุโทโธสังขารพุโทโธจิตพุโทโธเนี่ยม <c oughs> กลืนกันหรือจะกําหนดเอามูลและกรรมฐานกรรมฐานาจะปัญจากากกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่สุด ีสวสดอยู่เกษาโรมานาคาทันตาตจโตตจโตดันตานาคาโรมาเกษาให้ลูลูหายใจเข้าเกษาหายใจออกโรมาหายใจเข้า หน้าขาเดีย๋ยวหายใจเข้าผมหายใจออกขนหายใจเข้าเล็บหายใจออกฟันหายใจเข้าหนังในกําหนดใส่ใจกําหนดรูปผมกําหนดรู้บนหัวก็เหรอที่ผมมันเกิดบนศีรษะ ขนขนกนขนเกิดอยู่ทั่วสัมพางกายรูร่อสัมพางกายเส้นหยาบเส้นละเอียดเล็บปลายมือปลายเท้าพบทุกแห่งฟันในกระดูคางข้างล่างข้างบนหนังห่ม อ, อยู่ทั่วตัว ผู้ที่มีจริตชอบนึกชอบคิด mm hmm. ก็กำหนดเอาธรมมฐ า, านห้าเพราะมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนที่ไปตามผมคนเ็กฟันนังผมคนเ็กฟันนังังเรียกว่าเป็นฐานเป็นฐาน ความระลึกของสติเป็นฐานที่รูปของใจนี่เมื่อตั้งฐานได้แล้วก็นั่นะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นรูปรูปรูปนี่เรียก ว, ว่าอารมณ์อารมณ์อมของ การงานฐานะการงานคือที่ตั้งฐานะคือที่ตั้งของการทำงานทำงานภาวนา <c oughs> เพื่อรวมให้สติความรู้ความนึกคิดทั้งหลายรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกมกืนกัน ออโธอืโธเห็นดูว่ามันแน่วแน่แนบแน่นมันไม่เผลอมันไม่แวบไปเรื่องอย่างอื่นถ้ามันแวบไปกระซับเข้าไป เศร้าไหวรู้เท่าทันไววนี่เรียกว่าเอาสติคุมเอาสติคุมความรู้เอาสติคุมจิตให้ทำงานอยู่ในจุดเดียวเหมือนคนเหมือนผู้คุมคนทำงานพอดูแลใครจะหนีไปที่อื่นก็ ต้องบอกต้องเตือนไม่ให้หนีไม่ให้เคลื่อนเดี๋ยวมันจะเก็บจะปวดมันจะมึนจะชาก็ช่างมันเดี๋ยวนี้สนใจเอาแต่อารมณ์กรรมฐาน อย่างเดียวสิ่งสัมพันธ์ที่มีอยู่โดยธรรมชาติก็คือลมหายใจนั่นแหละลมหายใจความสตินี่รอกอยู่กับผู้รู้แล้วกับจอกับลมหายใจปิดหูปิดตาสิ่งสัมผัสเข้ามาทางหู ก็สับเพียงแต่ให้ได้ยินแต่ไม่ตามไปสัมผัสกายสับเพียงแต่สัมผัสไม่ให้ความลู้ความระลึกรู้อะไรตามไปว่าปิดหูปิดตาปิดกายเปิดใจให้ลู้พุทธทู แนวแน่เ <c oughs> พราะว่ามาฝึกฝึกให้ลูกฝึกให้ลูกกรรมในการลูกกายลูกกายกรรมกายของเราเป็นก้อนเป็นก้อนกรรมคำว่ากรรมก็คือก้อน งานนั่นอ่ะเกิดขึ้นมาเราเป็นก้อนที่จะต้องกระทำงานกายของเราจะต้องดิ้นลนต้องใช้มือใช้เท้าใช้อายวิยวะทุกส่วนในกายนี่แหละทำงานเพื่อความเป็นอยู่ของกายให้มีชีวิตสืบต่อนี่เริงว่า ทำงานทางกายท่านเรียกายกกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมส่วนวาจาเนี่ยไม่ยากเพราะมันมีช่องเดียวงับปากไว้อยากพูดก็ไม่ให้พูดก็หมดเรื่องกัน ว่าถ้าพูดทางวาจาก็เป็นวิีกรรมเป็นการงานทางวาจาเป็นกรรมส่วนที่หยาบออกมาหาความหยาบถ้าแสดงออกทางกายเตาออกมาทางวาจาที่ที่เกิดของกรรมที่เป็นกรรมละเอียดก็คือจิตใจจิตตังนึกคิด ใจรลูกสองอย่างแต่ความลูกความลูกไม่เป็นกรรมอะไรไม่ได้ทำงานอะไรเพราะความลูกเขาเป็นสภาวะแห่งความลูกโดยธรรมชาติเขาอยู่แล้วเหมือนกันกับดวงอาทิตย์เป็นธรรมชาติที่มีแสงสว่างจ้า เนี่ยความร้อนเขาออกจากความกล้าของแสงอาทิตย์อันเดียวไม่ไม่ได้ทำงานอะไรเขาเป็นเขามีฤทธิ์ในตัวของเขาอยู่แล้วไม่ต้องได้ปรับปรุงอะไรใจแต่ส่วนความนึกคิดที่เรียก ว, ว่ากรรมในจิต กายกรรมว่ากีกรรมมโนกรรมมโนกรรมความนึกคิดออกจากความรู้นี่เป็นกรรมถ้านึกคิดไปจะกระทําในสิ่งไม่ดีนึกคิดเห็นผิดนึกคิดผิดเห็ น, ผ, นผิดเป็นชอบ อันละเป็นกรรมเป็นกรรมอย่างยิ่งกรรมความเห็นผิดคว่ามิจฉาทิฐิความเห็นผิดจากความเป็นจริงเป็นกรรมเป็นกรรมมากเป็นกรรมที่หนาแน่นแก้ได้ยากความเห็นผิดทิฐิทุกกรรมความเห็น ที่ตรงถ้าทำความเห็นให้ตรงความเห็นความรู้ตรงตามเป็นจริงเห็นกายเห็นร่างกายเห็นธาตุตามความเป็นจริงของเขาร่างกายประกอบด้วยธาตุธาซีดินน้ำฝอยลมอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริง เด่วก็เห็นชอบแล้วก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเรานี่เป็นสมมุติเป็นสมมุติบรรดาสมมุติทั้งหลายย่มตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ได้ยากทนเป็นปกติไม่ได้ยิ่งว่าเป็นทุกข์ ฉันเห็ว่าทุกคือความทนดนยากเนี่ยทนอยู่เป็นปกติไม่ได้มันก็ไม่อยู่ในความอยากให้เป็นให้เป็นไปตามตัณหาคือความอยากให้เป็นไปตามจิตตังให้เป็นไปตามจิตแต่สังขารความนึกคิดที่จะให้เป็น นี่คิดจะให้เป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นไปตามแต่เขาหากเป็นไปตามธรรมชาติคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเท่านั้นนี่คือธรรมชาติลักษณะแห่งความเป็นจริงของสมมุติในบรรดาสมมุติทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ ใต้วีมุิคือความไม่สมมุติถ้าสมมุติแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่สมมุติเป็นธรรมชาติไม่มีอะไร <c oughs> ไม่สมมุติไม่มีอะไรเดียนี้มันมีมีกายนี่หละมีกาย มีใจที่สมมุติว่าใจสมมุติว่าจิตแต่ที่นี่การกะ ร, รกะทาก็ทาจากกายทำด้วยกายทำด้วยวาจาหรือว่าจีกรรมนึกคิดด้วยจิตใจเรืองว่ามนโนกรรมกรรมสกุลมิ กรรมธายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสโนโนเรามีกรรมเป็นของของตนเมื่อทำเราทํากรรมอันใดไว้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดถ้าสิ้นกรรมหมดกรรมคือมีสติปัญญาลู่เหนือสมมุติทั้งหลายทั้งปวงแล้ว นั่นเรียกว่าอยู่เหนือกรรมเหนือสมมุติาหากว่าเรายังอาศัยสมมุติแล้วก็ยังหลงสมมุตมิเหมือนชีวิตความเป็นอยู่นี่แหละอาศัยสมมุติอาศัยดินน้ำไฟลมนี่ก็เป็นสมมุติเกดขึ้นมาแล้วก็เป็นรูป มรูปประคั น, นี่ก็เป็นสมมุติร่างกายนา ม, มาขันความจำได้ไม้รูปความนึคิดปรุงแตง่งเป็นสมมุติแต่ไม่มีตัวตนนี่จึงว่าสิ่งใดที่เป็นสมมุติคือการเกิดการมีขึ้นเ็เรียกว่ามีกรรมเมื่อมีกรรมก็มีการเกิดเมื่อตัดกรรมชะลูก และวิบาคันผลเกิดจากกรรมเรียกว่าวิบาเกิดจากการก ร, ระทาเมื่อหมดเหตุที่จะกระทาหมดฐานที่จะให้ทำกรรมคือรูป รูปกายแล้วกายรูปกรรมวจีกรรมมโนกรรมดับสิ่งเหล่านี้ดับไม่มีการเกิดขึ้นขึ้นอีกเพราะสติปัญญา ข้อระรูปสมมุติตามเป็นจริงจิงเรียกว่าพิกพิกสมุติลงเป็นพิกสมมุติลงมีวิมุตต์คือการรู้ความจริงแล้วไม่สมมุติอะไรต่อไปไม่หลงสมมุติเรีไม่สมมุติไม่หลงสมมุติไม่ยึดสมมุติไม่ติดสมมุติ เรียก่าไม่ติดลูปติดนามรูปนามกายใจซึ่งในตัวของเราเนี่ยเป็นฐานให้เกิดการทํากรรมเรียกว่าให้เกิดกรรมแล้วก็ให้เกิดผลของกรรมคือผลจากการทํางานนั่นนั่นเรียกว่าผลของกรรมหรือวิบัติ อ, อีกอย่างหนึง่ง ก็เหมือนกับว่าเราทำกรรมคือเรากรรมที่จะให้เกิดความร้อนเราเอาไม้มาถูกันไม้มาถูกันหรือเอาก้อนหินมากระทบกัน ก็จะเกิดเป็นความร้อนเพราะนั่นความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลเป็นวิบากวิบากเกิดจากเหตุวิบากเป็นผลเกิดจากเหตุมันก็จะเกิดเป็นไฟเมื่อเกิดเป็นไฟเมื่อต่อเข้าไปมีเชื้อให้มันลุกติดมากขึ้นมันก็ร้อนเผา นี่เรียกว่าให้ผลหมุนเวียนกันอยู่นี่กรรมของของกรรมของวัฏสงสารนี่ภาวนาเมื่อเมื่อรวมสมถะกำหนดบริกรรมทากิจให้ได้สมาธิรวมเป็นหนึ่งแล้วก็มาน้อมทิจารณากรรมมาพิจารณาในกายของเรา การเกิดขึ้นของร่างกายที่เราที่จิตของเราเนี่ห่วงแหนอย่างนี้แหละที่จิตแต่สังขารของเราอนีมันปรุงมันแต่งมันห่วงแหนว่านี่ผมเรานี่ยขนเรานี่ยเล็บเรานี่กายของเราเนี่สุขภาพร่างกายของเราไม่อยากให้มัน เก็บมันป่วยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันสุดโทมก็หาวิธีป้องกันนี่นี่มันเมื่อความนึกความคิดเลาวนี่หรือวิธีที่จะต้องดินน้นรนมันก็เกิดมาจากความหลงในกรรมคือหลงในกายนี่ เพราะนันจึงต่อมากำหนดลูกพิจารณาเรียกว่าพิยนาก ร, รม <c oughs> พิยนากรรมคือพิยนาในเหตุอย่างของอย่างที่พระบรมศาสดาสมาสมุทิเจ้าพระองค์มาพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทปัจจยยการ เพี้ยนเพ่ ง, เงมันมาจากอะไรรูปร่างกายนามรูปอายตนะอันมาใช้ปัญญาค้นคว้าเข้าไปก็ไปรู้ว่ามาจากทวนกระแสจากความเกิดความตายรูปข้างกาย ควาทุกข์เมื่อมันมีร่างกายนี่แหละมันก็เจ็บปวดสุดท้ายก็าตายแตกดับสลายแล้วสิ่งที่มันเกิดตายนี่นมันมาจากอะไรสิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่ในร่างกายมันก็มาจากเพราะความมีกายร่างกายนี่มันมาจาก อะไรมาจากธาตุที่จะให้เกิดเป็นธาตุเป็นอายตนะนวิวาชาตโสกะปรีเทวทวนกับมาหาต้นเหตุจึงมาเห็นสังขารวิญญาณจึงมาเห็น ความมืดความมืดความไม่รู้สังขารวิญญาณตามเป็นจริงจริงว่าอาวิชชาความไม่มีสติปัญญาแต่จึงมาพิจารณาจากความมีวิชา ม, มีวิชามีสติมีปัญญา ประรูแจมแจ้งประรลูความจริงของสังขาร น, นึกคิดปรุงแต่งสังขารวิญญาณ น, นามลูกอายตนะผัสสะเวทนาตัญหาอุปาทานพบทวนไปมาจึงรู้ว่าเหตุจากความไม่รู้นี่แหละจึงหลง มันจึงหลงมันจึงมืดเพราะความไม่มีกระถิบไม่มีเสื้อมีน้ำมันเมื่อมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีไฟไปจุดมันก็ไม่เกิดแสงสว่างความมืดก็ครอบงำนี่เป็นอย่างนี้เมื่อทวนกระแสเข้ามา รู้เรื่องกรรมในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและก็มีมโนมีใจละ่ะเป็นมหาเหตทุที่มันเป็นเหตุท่านจึงว่ากิเลสกิเลสคืออวิชชาความไม่รู้ความเศร้าหมองความมืด ความเมื่อของใจใจนี่มันเกิดมาจากมันเป็นธรรมชาติรูปเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความไม่ลูกนั่นแหละมาด้วยกันปกปิดกันอยู่ <c oughs> เรยกว่าอวิชชามันจึงเป็นกิเลสอวิชชาเนี่ยจึงเป็นกิเลสพราะไม่ลูก เหตุผลตามเป็นจริงมีอวิชามีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทากรรมที่มืดให้ทากรรมที่เร็วเรียกว่า mm. กรรมที่เป็นอกุศลมันเป็นเหตุให้นึกผิดคิดผิดเ็นผิด เนีย่ยนึกผิดคิดผิดเห็นผิดอนะก็ต้องพูดผิดแล้วก็ต้องทำผิดไปทางกายนี่จริงเลยว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของการกระทาเป็นเครื่องมือของกรรมที่จะให้เกิดผลคือวิบากเป็นสุขและเป็นทุกข นี่เราก็จความหลงความมืดยังให้ยินดีพอใจในการกระทำสิ่งที่ให้เศร้าหมองที่ว่าเป็นหินะหินะ ร, รมทำมืดทำเร็ว เป็นความโกรธที่จะให้เกิดความโกรธความโกรธเป็นทำเลวความหลงหลงไม่รู้ตัวไม่รู้เกิดรู้แก่รู้เก็บรู้ตายไม่รู้อันนีจยังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงนี่เป็นทำเลวมันมืดมันปิด ปัญญาของกิเลสมันสร้างความมืดมนที่ให้หลงเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำบาปกรรมเกิดความโกรธขึ้นมานอาการที่มันโกรธมันได้มันไม่ได้มีอยู่ในใจของเราตลอดไปมันเกิดเป็นบางครัง้งบางคราว มันเกิดเพราะเวลาไม่มีสติปัญญาเนี่ยเวลาหลงเข้าไปเห็นผิดสำคัญผิดในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนามันเกิดขึ้นในจุดนีจุดที่ไม่มีสติปัญญารู้ปัจจุบันเพราะฉะนั้นในธรรมะ ที่ท่านว่าธรรมะของกิ่คือธรรมะเนี่ไม่มีการไม่มีเวลาถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้าไปควบคุมมันก็หลงได้หลงได้ในทุกอิทธิบาตหลงได้ในทุกเวลาเป็นควาไม่มีการ ทำเลวทำดำค่ำก็ เ, เกิดไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนกันทำรู้แจ้งเห็นจริงที่ว่าปัญญาความรู้เห็นตามเป็นจริงนี่ก็เกิดได้ทุกเวลาเมื่อปฏิบัติว่าเมื่อโอปัญิโกเข้ามาหาใจก็จะรู้ใจรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทีใ่ใจไปรับรู้ รับผิดชอบนี่จึงว่าให้พิจารณากรรมพิจารณากรรมอับแต่เบื้องต้นที่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดีต้องให้รู้เรื่องกิเลสกิเลสก็คือความ คิดผิดนึกผิดแล้วก็อยากอยากทําในสิ่งที่เป็นโทษเส่นเห็นว่าการฆ่าการเบียดเบียนการทําลายแม่ตนเองและผู้อื่นเป็นความพอใจของกิเลส เพราะฉะนั้นจึงสามารถทำกรรมที่ไม่ดีนั่นได้ทำทางกายพูดทางวาจาก็เหมือนกันพูดด้วยความพยายามพูดด้วยความโกรธสาบแช่งมันตายให้มันล่มให้มันตายให้มันสิบหายวายวดอดนนเป็นคำสาบแช่ง มันจะพูดออกมาได้เพราะความไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิฝ่ายที่เป็นความรู้แจ้งด้วยเหตุผลนี่จริงทาบากยึงกล่าวผิดกล่าว หลอกลวงได้เป็นชายกายทำในสิ่งที่ผิดได้เพราะใจเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เห็นคือกิเลสนั่นแหละมันไม่เห็นคุณค่าของความเป็นธรรมมันจึงเกิดเป็นความโกรธ เพราะมันไม่เห็นคุณค่ า, าของความเมตตาเพราะฉะนั้นมันจึงมีว่าสร้างเมตตานี่เป็นเรื่องของปัญญาเลยต้องสร้างเมตตาคือการพินิษพิจารณานั่นเนี่พินิษพิจารณาคำหนดรู้ถึงเราถึงเขาถึงอกเขาอกเราใจเขาใจเรา ความรู้ให้เกิดความอยากส่วนมากก็เรียกว่าอยากอยากให้สมหวังในความอยากมีความสุขสัมผัสกับความสุขสุขกายสุขใจอารมณ์ให้เกิดความสุข หรือเหตุให้เกิดความสุขทางกายเส้นเราเวลาเราร้อนเวลาโดนความร้อนอากาศร้อนมันเป็นทุกข์ก็อยากจะสัมผัสกับความเย็นเพราะ ม, มันสบายอย่างนี้เขาจึงได้สร้างเครื่องอำนวยความสุขตามความอยากได้สร้างพัดลมสร้างแอร์อะไรมา เปลี่ยนแปลงความจากความร้อนให้เป็นความเย็นอันนี้มันเป็นเรื่องนอกๆเรื่องห ย, ยาๆมันก็พอบําบัดกันได้ด้วยของอยาแต่เรื่องของใจที่นี่เรื่องของธรรมะที่ละเอียดที่เรื่องของใจใจที่มันจะเกิดความ เย็นใจความสบายใจ <c oughs> มันต้องเป็นความรู้ความเห็นต้องเป็นปัญญาเข้าใจความจริงเห็นความจริงของเหตุที่ให้มันที่ให้เกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ใจ ของที่เราคิดว่าถ้ามันมีถ้ามันได้กมันจะเป็นความสุขนั่นแหละแต่พอได้แล้วมันก็ไม่สุขมันก็กลายเป็นอารมณ์แห่งความทุกข์อีกเป็นเหตุเป็นอาสวะหรือว่าเป็นเชื้อไฟให้เกิดความทุกข์ละเอียดเข้าไปอีกทุกข์ละเอียดเข้าไป รูป ล, ละเอียดอุปมาเหมือนไฟนี่ไฟมันมีความหยาบอยู่กับเชื่อเส้นมีท่อนฟืนถ้ามีความร้อนเข้าไปเขาผ่านแล้วกลายเป็นไฟติดอยู่ในท่อนฟืนความร้อนหยาบๆยาบนี่ทั้งร้อนทั้งมีควันด้วย นี่ทั้งร้อนทั้งอึดอัดเพราะร้อนเพราะกระแสหรือแสงของไฟอึดอัดเพราะมันมีความที่เกิดจากไฟจากฟืนนั้นด้วยนี่มันเป็นความร้อนหยับๆสัมผัสกับในส่วนกาย ทถ้ามันถ้าม่มีกายแล้วถ้ามันมีกายมีแต่ธรรมชาติใจที่ความรู้นั่นอยู่กับสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เกี่ยวกับไฟจริงไม่ได้เกี่ยวกับไฟไม่มีไฟภายนอกไ ม, ไ, มไม่มีแต่มีไฟภายใน ไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะไฟลาคะคือความกำหนัดย่อมใจกำหนัดยินดีในเสียงกำหนัดยินดีในกลิ่นในรูปจะร้อนในใจเป็นความร้อนละเอียดไม่รู้ว่าจะขยับออกด้วยวิธีใด ถ้าเราล้อนไฟที่มันติดในฟืนในเชือของไฟเราเอาน้าลดเทน้าดับมันก็หายหรือไม่ล้วก็ขยับหนีให้ห่างไกลมันเปนอย่างเราล้อนแสงอาทิตย์แล้วก็หาร่มมากันหาอะไรมาปิดบงังไม่ให้โดนกับแสงอาทิตย์มันก็มีความสบายกายสบายใจ แต่ถ้ามันร้อนด้วยไฟแห่งความหลงนี่เรียกว่ามันเป็นวิบากจากกรรมจากกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมนี่แหละ <c oughs> น, นี่ไม่รู้ว่าจะไปขยับออกอย่างไรวิธีไหน พระฉันพระพุทธเจ้ารู้วิธีพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่ท่านบอกว่าความทุกข์เกิดแต่ความอยากแปลว่าสมุทยัยนี่ห้เกิดความทุกข์ทางใจความร้อนทางใจเกิดแต่ความอยากเกิดแต่ตัญหาปัญหาความอยาก อยากได้อยากให้มีอยากให้เป็นอยากไม่ให้มีอยากไม่ให้เป็นร้อนทั้งนั่นนี่จริงให้มาระงับมาปฏิบัติเพื่อระงับความร้อนระงับความอยากนี่จริงต้องมาสร้างอุปกรณ์ ที่ไม่เป็นรูปอุปกรณ์ที่เป็นนามธรรมที่เป็นอารมณ์เหมือนกันให้เกิดอารมณ์แห่งความรู้จึงว่าปัญญาเบื้องต้นก็ให้มาอบรมบ่มคืวสติสติคืออาการระลึกรูธันจเรียกว่าศีล มาสร้างศีระสังวรคือความมีสติรู้ทันกายวาจาใจคือว่ารู้ทันกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมคือว่ามันเป็นคนละอย่างมันเป็นคนละอันมันเกิดขึ้นได้เพราะความหลงความมัมีสติให้มีสติรูร้เราสัมผัสกายกับรู้ จะการท้งวาจาลูกนึกคิดรับรู้ทางจิตใจให้ลูกให้ลูกแล้วก็เพ่งดูเพ่งดูแล้วก็วิตกวิจารณีเรียกว่าพิกความวิตกวิจารดกาูกายกายก็สะเกียงแต่ว่าเป็นธาต สักเพียงแต่ว่าเป็นการประชุมแห่งธาตุเขาเป็นลูกธรรมชาติของเขาเมื่อเขาแยกออกจากกันก็ไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟฝึกสติให้ระลึกลูกเท่าทันในการแยกแยะเรื่อให้เห็น ความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเห็นอ น, นิจจังทุกครั้งหน้าตาหเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปดับไปนี่จึงว่าภาวนาภาวนาแพ่งภาวนาพิจารณากรรมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้เป็นบทพิจารณา ที่เาอะชงพิจารณาเนืองๆ อ, อย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดพิจารณาให้ลูกเรื่องของสมมุตนิ น, น่ะกรรมกรรมก็เป็นสมมุติผลของกรรมเป็นสมนสมุติกิเลสความหลงความอยากให้ทํากรรมก็เป็นสมมุติเมื่อลูกรอบสมมุติ ทั้งกิเลส ท, ทั้งเหตุทั้งผลแน่ธรรมชาติรูว้วะเนี่ยที่ว่ายานทัศนยานแห่งความรู้บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติแห่งความรู้ที่บริสุทธิ์ของเขา ลูกวอลิสุดแล้วมันก็มันมีหลงอะไรไม่มีอุปทานไม่มีอาสวะไม่มียางเหนียวคือตันหาที่ใครจะเข้าไปเกิดความอยากทั้งหยากทั้งละเอียดทั้งหยากในส่วนที่ประกอบด้วยกายด้วยลูกทั้งละเอียดที่เป็นส่วนที่เป็นอารมณ์แห่งความนึกคิดรู้ ทั้งเป็นส่วนละเอียดที่เข้าไปสู่ความรู้เฉพาะความรู้อีกนี่จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ด้วยสติและปัญญาที่จะแยกแยะให้ เห็นความจริงเรียกว่าให้เห็นรูปตามเป็นจริงคือต้องมีตาต้องผ่านต้องผ่านสายตาสายตาที่ดีที่ไม่พิการก็ะะะจะเห็นรูปว่ารูปตามสมมุติรูปวัวรูปควายรูปหญิงรูปชาย ลักษณะอะไรนั่นจะเห็นได้ด้วยตาที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสมมติทั้งหลายได้ด้วยด้วยตาใจคือด้วยปัญญาด้วยปัญญาคือมีปัญญาแล้วก็ยังไม่ยังไม่แจ่มแจ้งจะต้องเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ที่เดียว ยานทัศนาวิสุทธิเนี่ยอันนี้อันนี้มันไม่มีตัวตนมันไม่เป็นสมมติของจริงของเขาไม่ได้เป็นสมมติแต่เป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นในจิตเกิดขึ้นในสติในจิตในใจเราน่นะ ว่าจะจบกันจบกันเหมือนเหมือนเหมือนการจบลงแห่งรูปมีรูปอะไรก็ตามรูปน่แต่รูปตัวของคนเราเนี่ยสิ้นลมหายใจแล้วจะให้จบในส่วนที่เป็นรูปจบด้วยไฟเอาเข้าไฟที่กล้า เขาแล้วความเป็นลูกหายไปเหลือแต่ความเป็นเท่าทานดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟท่า น, นลงสู่ความจริงของเขาสมมุติจะจบสิ้นลงด้วยวิมุตติญาณทัศน์เหมือนกันมันเป็นน้ำเมื่อ ยานแห่งวิมุตต์อันบริสุทธิ์เกิดเขาเป็นเองนะเกิดขึ้นเองไม่ใช่ไป น, นึกไปคิดไปแต่งมันก็ยังไม่เป็นมันเกิดขึ้นต่อเมื่อเหตุปัจจัยคือสติปัญญาอมกลืนกันละเอียดเข้าไปมันก็จะว่าขึ้นมาเหมือนกับจุดไม่ขีด ให้จอกับไ <c oughs> ส้เทียนหรือไส้น้ํามันมันก็จะว่าตัวว่าเป็นเปลวขึ้นมันไม่ได้เป็นไม่ขีดมันไม่ได้เป็นเทียนมันไม่ได้เป็นไส้ตะเกียงนี่ก็เหมือนกันยานวิเศษยานวิเศษยานวิเศษโซ่อธิตกันโตยานวิเศษ วิญญาณแจมแจ้งเกิดขึ้นจากสติปัญญาสธาความเพียร น, นั่นหละเป็นตัวจบสมมุติจบเชื่อแห่งอาสวะที่จะให้หมุนไปในพบทั้งสามพบน้อยพบใหญ่พระพุทธเจ้าทรงสอน เพียงแต่ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็มีวิบากก็หมุนไปในภพทั้งสามกรร ม, มวัฏกิเลสสวัฏวิปากวัฏกิเลสสวัฏกรร ม, มวัฏวิปากวัฏท่านบอกว่าในวัตตาสาม น, นั้นเป็นคำสอนเป็นคำสอนคาบอกของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมคำสอน ที่เนี่ยท่านก็ให้น้อมเข้ามาปฏิบัติการปฏิบัตินี่ก็คือการลงมือภาวนาค้นคว้าเพียนเพ่งเนีย่ยสร้างสติให้ก้าให้สมบูรณ์ด้วยการบริกรรมภาวนาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกมันต่อเนื่องต่อเนื่องมันต่อเนื่องมันไม่ เออเลยเขาเรียกว่าสติก้าต่อเนื่องกันจนเป็นสัมปชัญญะไม่มีเกิดไม่มีดับเรียว่าเป็นสัมปชัญญะถ้าสติธรรมดามันยังเกิดดับเกิดดับเป็นขณะละลึกได้ลึกได้แล้วก็หายแล้วลึกได้แล้วก็ไม่ละลึกได้มันเป็นสติ ทณะทณะถ้ามันต่อเนื่องกลายเป็นลูตัวไปเลยเรียกว่าสมปัญญานี่เป็นเครื่องมือที่จะให้กรรมมันจบสิ้นลงได้ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่สร้างสติสร้างสมาธิให้กล้าสร้างปัญญาให้ เพราะมันเป็นสมมติเลยจริงพูดได้ว่าสร้างคำว่าสร้างสร้างก็คือสร้างสมมตินี่คือเพียนเพ่งปฏิบัติกำหนดให้มันเกิดให้มันเป็นให้มันกล้านี่เรียกว่าสร้างสร้างสติก็เป็นสมมติสมาธิก็เป็นสมมติปัญญาก็เป็นสมมติแต่วิมุตติญาณทัศน์หนึ่นไม่ใช่สมมติ เป็นสิ่งที่เป็นเองแล้วก็ไม่มีอะไรทำหน้าที่เหมือนกันกับไฟทำหน้าที่เผากระดาษให้เป็นจุนวิจุนไปแล้วหมดคำว่ากระดาษไฟก็ดับจากเชื่อไม่มีก็หมดคำว่าไฟนี่ก็เหมือนกัน วิมุตติยานัทสนะเขาสมมุติพิกสมมุติหลงเป็นวิมุตติยานัทสนะไม่หลงในสมมุติทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีอะไรนี่ท่านเรีว่าความดับสนิทแห่งวัตตะแห่งกรร ม, มวัฏที่เดสวัฏวิปากวัฏจป็เรียกว่า เป็นวิมุตติญาทัศสนะวิมุตติธรรมวิมุตติจิตวิมุตติธรรมคือธรรมก็เป็นธรรมบริสุทธิ์ความหลุดพ้นก็หลุดพ้นไปด้วยความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากสมมุตินี่การเมื่อ เราฝึกฝนอบรมให้สติก้าเป็นฐานประมาณอุประมาณเหมือนกันว่าเป็นกำแพงกั้นลมกำแพงสูงจดท้องฟ้าลมจะพัดมาจากทิศใดๆผ่านไม่ได้ไม่พังแน่นหนามันคงสติ แล้วก็เป็นความตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ปัญญาเนี่ต้องแกะต้องจีมต้องคิดต้องแพง <c oughs> ให้รู้ความเป็นจริงของสมมุติทั้งหลายทั้งปวงแล้วรู้ความเป็นจริงของกรรมแล้วมันจึงจะทําลายอากุศลกรรม ที่เกิดขึ้นในกายอาศัยกายกระทาจึงจะสำเร็จเป็นกายกรรมอาศัยพูดออกมาทางวาจาจึงจะสำเร็จเป็นวจีกรรมแค่นี้มโนกรรมไม่มีไม่มีคำพูดไม่มีกายไม่มีตัวตนต้องเห็นด้วยปัญญาระนับ ตัณหาด้วยปัญญาีิสุทธิ้ด้วยปัญญาแล้วจึงจะเกิดเป็นญาณวิสุทธิเนี่ยจึงจะระงับเวทนาทั้งสามนี่เรียกว่ารู้เท่าเวทนาจิต เวทนาเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเวทนาเพราะราคะจิตโทสะจิตโมหะจิตมันมันจึงจะสิ้นสุดมันจึงจะไม่มีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไม่มีในจิตจึงจะจบกัน เมื่อจบก็เรียกว่าจบกรรมจบกรรมกรรมทางกายก็ไม่มีเพราะไม่ได้เกิดอีกมามีรูปร่างกายอีกกรรมทางวาจาก็ไม่มีปากมีลิ้นก็จะไปเอาอะไรมาพูดกรรมทางจิตก็พร้อมันไม่หลงในความนึกความคิดความอยากทั้งหลาย่ะ มันก็ไม่มีอะไรจะมานึกมาคิดจึงเหลือแต่ความรู้วนโมริสุดท่านเรียกว่าความรู้ด้วยตาใจยาคุ้งอุดปาริญานางอุดปาริปัญญาดปาริวิชาดปาริวิชาก็เป็นวิชาวนริสุทธิ์สว่างโลกปัญญาก็เป็นปัญญาบริสุทด ไม่เป็นปัญญาของกิเลสด้วยวิชากับไม่เป็นวิชากิเลสวิชาความหลงด้วยท่านถึงรวมว่าอาโลโกจกคุงอุดปาริยานะอุดาปาริาา ป, ารปัญญาดาปาริวิชาอุดาปาริอาโลโกดาปาริที่นี่มันก็ไม่มีถ้าไม่สมมุติ ก็มีอะไรแต่มันไม่มีอะไรมันไม่มีทุกมันไม่มีสุขมีทุกว่าเหนือสุขเหนือทุกแต่มันมีอยู่ธรรมชาติที่รู้ว่าเหนือสุขเหนือทุกมันมีอยู่นี่ท่านจึงว่ามันไม่ได้ศูนไม่ใช่ว่าศูนย์ไม่ใช่ความรู้นี่ศูนย์ไป มันมีอยู่แต่มันไม่มีทุกในความรู้นั่นแหละถึง่รู้บริสุทธิ์รู้ไม่ยึดรู้ไม่หลง <c oughs> ในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมที่เรามาเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาท่านเรีว่าให้รักษาศีลปฏิบัติศีลลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยการสังวรการ เจตนางดเว้นจากโทษหยาบๆทางกายทั้งวาจานี่แหละไม่ทำฆ่าก็ไม่ฆ่าลักก็ไม่ไปลักขโมยจิริยาแห่งการลักขโมยที่ประกอบด้วยกายก็ต้องกายนี่ก็ต้องไปหยิบไปถื อ, อนี่เรียกว่ามันเป็นโทษในสมมุติที่เห็นๆกัน ตายก็ไม่ไปประพื่ผิดในการร่วมอเวณีกับผู้คลองของผู้อื่นนี่อย่างนี้เรียกว่าไม่ให้ทำทางกายพระจาก็มีแค่พูดท่านแหละแค่กล่าวแต่จะไปกล่าวในลักษณะที่ยาวคายชาบแช่งจะไปกล่าวใน ทำบิดเบียนจากความเป็นจริงโอหกหลอพวงนั่นก็ไม่มีมันก็ไม่มีโทษทางวาจาไม่มีโทษทางกายเ็าเลี้ยถ่ายทางจิตใจเข้ามาควบคุมด้วยสติสมาธิปัญญาเนียงว่าอย่าเินสมาธิแพ่งใจในอารมณ์มันเดียวแพ่งไว้ในอารมณ์ที่เป็นกุศล กิจอคุสลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความนึกคิดที่เป็นอกุสนก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เป็นการควบคุมกรรมทางจิตในชั้นเทพเป็นนึกจะคิดละเอียดเข้าไปกว่านั้นเพราะว่าความนึกความคิดมันรวมตัวเข้าไปสู่ใจหนึ่งยังว่าใจเป็นฐาน ใจเป็นฐานที่เกิดของบ่าวของบุญใจเป็นฐานที่เกิดของพบชาติพบน้อยพบใหญ่ท่องเที่ยวไปเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ในอากาศท่องเที่ยวไปในตามาพยจรภูมิตามาวัจระภูมิอากามาวจระภูมิ เราเข้าไปในพบอันละเอียดที่มันมีตัวมันมี ต, ม น, มตนที่ท่านบอกไว้ว่าเกิดในภูมิสามกำเนิดสี่นี่ขั้นห้าและขั้นสี่และขั้นหนึ่งความไม่ความมีขันอันเดียวเนี่นเรียกว่ามีแต่ธรรมชาติรู้ของใจนะแต่มันยังมีความไม่บริสุทธิ์มันยังมีตะกอนอยู่นะั่นมันจึง กลับคืนมาสู่ความหยาบอีกได้เขา ม, มาสู่ภูมิสามกำเนิดสี่ขั้นห้าขั้นสี่อะไรกลับไปกลับ ม, มากันเนี่ยเมื่อปฏิบัติเจริญนี <c oughs> นแ่แหละสติสมาธิปัญญานละเอียดเข้าไปก็ทำลาย ลายเหตุปัจจั ย, ยก็คื อ, อวิชาความไม่รู้ตามเป็นจริงกันเดียวให้รู้ตามเป็นจริงทั้งหมดแล้วท่านจึงว่ายจยากคุ้มอุดาปาริญาณงอุดาปาริปัญญาอุดาปาริวิชาอุดาปาริึรวมเป็นอาโลโกถ้าอาโรโกาาอุดปาริไม่มีมืดนี่จะสว่างโลก แล้วก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เว่าเนื้อสุขเนื้อทุกข์ธรรมชาติรู้ว่านั่นนี่ก็จะให้นำอุบายให้นำอุบายการเจริญปัญญาในหลักของกรรมสกมิกรรมทายโทโ กรรมมาอยู่นี้เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามทํากรรมอันใดไหวดีหรือชั่วจะรับผลของกรรมนั่นสืบไปพิจารณาเนืองๆอันจะเกิดปัญญาเกิดฌานแห่งความรู้ด้วยเห็นโทษในกรรมนี่แหละได้ นี่เขาเป็นอุบายในการเจริญปัญญานอกจากนั่นเขาขั้นห้าที่เราได้สวดสาธยายบทอนตรลักขณสูตรนี่เป็นธรรมะขั้นที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะเปิดปากคอกให้พระปัญจวคีในบทแรกพระองค์แสดงอริยสัจสี่ สแสดงเหตุคือสแสดงสมุทัยทุกสมุทัยนิโรจนมัง่งไอแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังในการแรกที่จะธรรมาจักรกับปวัฒนาสูตรปรพานยาโกนทัญญะท่านเป็นผู้ออกจากข้อแห่งความหลงได้ส่วน สี่องค์ัยังอยู่พระพุทธเจ้าจึงได้มาแสดงในบทที่สองซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีอยู่ได้พิจณาได้กําหนดรู้อยู่แต่มันยังไม่ยังไม่ละเอียดพระพุทธเจ้าจึงได้มาต่อเติมเพื่อให้เกิดความละเอียดเข้าใจละเอียดในขันห้า ทรงแสดงอนัตตลกขณสสตรว่าด้วยเรื่องรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราทุกท่านรามีกันอยู่นี่แหละสัญญาเราก็มีสังขาร น, นึกคิดรูแต่งเราก็มีเวทนาสุขทุกทเฉยเราก็มีสัมผัสกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะจิตแต่เราไม่ได้เทียนแห่งไม่เห็นละเอียด ไม่เห็นตามที่พุทธเจ้าว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาทั้งฐานวิญญาณทั้งห้าอาการอาการแสดงให้พระพันจริญวิคีทั้งห้าฟังอีกแล้วก็ได้ บรรลุรรสิ่งได้จบพ ม, มจันด้วยการฟังอนัตตลกันนาสูตนสรุปได้ว่าทรงรู้ทรงเห็นทรงเข้าใจหรือภาพมปนจัว่าคีท่านในรู้ได้เห็นเข้าถึงความเป็นอาโลโกอุดปาดิด้วย สติปัญญาไม่ด้วยไม่ด้วยสมาธิไม่ด้วยสติเฉยๆคือไม่ด้วยศีล่กว่าศีลหนุนสมาธิให้แน่วแน่สมาธิหนุนปัญญาเราทำอะไรจะทำให้สำเร็จละเอียดได้ต้องมีความตั้งใจดี กำลังกายก็ดีกําลังใจก็ดีสถานที่ที่จะกระทําก็ต้องกระทําอยู่ในที่มันนิ่งมันสงบแน่แต่เมื่อไหร่เราจะเขียนหนังสือเราจะประดิษฐ์ประดอยอะไรต้องอยู่ในที่นิ่งนิ่งแน่นหนามั่นคง เรื่องกสร้างบ้านสร้างตึกสูงๆต้องตอกเข็มต้องดิ่งฐานมันลงไปให้มันมั่นคงไวยก่อนเวลาก่อสร้างขึ้นไปมันจึงไม่สั่นสะเทียนมันจึงไม่พังมันจึงสําเร็จได้นี่ก็เหมือนกันสร้างธรทำจะต้องอาศัยศีลเป็นฐานอาศัยสติเป็นฐานอาศัยสมาธิเป็นกําลัง การแยกแยะการจะเข้าใจจนสำเร็จได้ทิ้ง <c oughs> ความรุ่มหลงทั้งหลายได้ด้วยปัญญาจะให้มันที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้ก็ถูกแล้วมันเจริญสมาธิ รักษาศีลสมาทานศีลมาสานท า, านศีลคือความตั้งใจเอาสมาทานไปทุกวันทุกวันก็ได้สมาทานอยู่ทุกลมหายใจก็ได้สมาทานศีลสมาทานแล้วกัมั่นคงในการที่จะไม่ร่วงเกินนั่นแหละเรียกว่าเป็นท่านบอกว่าศีลานุสติมีสติกําหนดรู้อยู่ใน พ่อปฏิบัติที่เราสมทานรักษาศิ้นห้าอย่างนี้รักษาศิ้นห้ารักษาศิ้นสมรักษาคำวมบทสิบอะไรก็แล้วแต่คือรักษาศิ้นหนึ่งคือรักษาใจเนี่ยถ้ว่าให้ใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเป็นการรักษาศิ้นหนึ่งมันตั้งมั่นอย่างอื่นก็สงบไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อใจสงบตั้งมั่น เดี๋ยวทำด้วยความมีสติตั้งใจศีลรักษาปฏิบัติยาคะเสียสละก็มันกำหนดดูจิตใจอให้มันมีความโลกไว้ไม่มีประโยชน์สอนมันด้วยปัญญาว่าการสละการแจกการแบ่งก็ ให้ประโยชน์กัตนเองและประโยชน์ผู้อื่นนี่มันจึงจะให้ทานได้เด้มันเป็นการเสียสละภายใน จ, ใจิตใจถ้าใจไม่เสียสละแล้วมันก็ไม่สิ้นสุดอาสวะกิเลสบาปกรรมทั้งหลายก็ไม่สิ้นสุดง่ายการให้ให้ให้ตามกิเลสทานทานของกิเลสมันก็มีทานของธรรมก็มี ทานของกิเลสมันให้อยู่แต่ยังมีความหวงอยู่มีความโลภอยู่นื้ทานของกิเลสทำบุญให้ทานเออทานซิมอนซิมิ่ ง, งก็ให้แต่ทางภายในจิตใจให้เพื่อความเพื่อความโลภเพื่อความอยากอีกนี่เรียกว่ายังไม่เป็นทานบริสุทธิ์ทานจริงๆสละจริงๆเห็นประโยชน์ในการให้การสละ เพียงเดียวเป็นทานของธรรมะศีลก็เหมือนกันรักษาศีลรักษาไปรักษามาเป็นรักษาศีลของกิเลสมันเขาไม่บริสุทธิ์ได้รักษาด้วยศีลของพระพุทธเจ้าศีลแห่งความสำรวมเพื่อไม่ทำบาปริงๆ มันจะเป็นศีลได้จริงๆอนี่ต้องภาวนาต้องภาวนาเมตตาถนาในว่าตั้งกายกรรมด้วยเมตตาวัจีกรรมด้วยเมตตามนโนกรรมด้วยเมตตาจเจริญภาวนาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค่ำจุนโลกคือเมตตาเป็นใจใจเป็นเมตตาอันจึงจะค่ำจุนโลกได้เมตตาเมตตาเฉย เมตตาสงสารเมตตาสงสารอยู่แต่ว่ายังทำบาปอยู่ยังหาผลประโยชน์จากบาปอยู่มันก็ไม่ไม่เป็นเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นจเจริญเมตตาภาวนาภาวนานึกถึงเขาถึงเราพิัญญะถึงโทษถึงอ น, นิี้สงของผลแห่ง ทานผลแห่งเมตตานึกถึงใจเขาใจเราอย่างนี้แหละเหมือนกันกับว่าญาติมิตรเพื่อนสังสารสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันถ้ามันรู้ใจกัน mm. เป็นอกเข็นใจกันเกิดความสงสารนั่นแหละเมตตานั้นจึงเรียกว่าเป็นเมตตาธรรมแท้กิดความสงสารเมตตามันก็ไม่ ไม่ทำร้ายกันไม่เหยียดเยี่ยนกันเหมือนอย่างเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังสุนัขมันรู้ว่าเป็นเจ้าของมันมันไม่กัดมันไม่ทำร้ายอันนี้ก็ เ, เพราะเพราะสื่อแห่งความเมตตาความคุ้นเคยซึ่งกันและกันถ้าคนอื่นมาเข้ามาบ้านเรามันกัดสุนัขเราเลี้ยงไว้เพราะว่ามันมันมีสื่อแห่งเมตตาที่ เพื่ออาทรต่อกันและก่อนกันละเอียดเข้าไปอย่างชาวบ้านชาวเมืองของเราสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานถ้าภาวนาเมตตามีเจริญเมตตาเข้าอกเข้าใจกันเกิดความสงสารกันมันก็ไม่ทำบา ไม่ฆ่าไม่รักไม่ขมโมยไม่โกหกผิดไม่หลอกลวงอำพรางไม่ยินดีที่จะทำสติของตนให้ฟั่นเฟือนเพราะมันไม่มีเมตตามีความโกรธให้กันยกยกินหน้าเมาอันไหนมันจะเหมือนเมากินเพื่อแก้ทุกข์เขาว่าพาะมันทุกข์พะมันโกรธมันเสียอกเสียใจอันนีกแก้ไม่ถูกทาง เพิ่มเข้าไปก็ยิ่งทําลายยิ่งมืดมล น, นทการเข้าไปทางสติปัญญาท่านบอกให้เจริญเมตตาภาวนาถ้าเข้า อ, อกเข้าใจเข้าถึงใจเมตตาเข้าถึงใจก็ประกอบด้วยสติปัญญาแล้วนีก็รักษาตัวเองไม่ดื่มไม่กินเรื่องลมของเมายา마ยา อีอะไรมันทำให้สติฟั่นเฟือนแม้แต่ว่าน้ำเมาสุราเมรัยทั้งหลายต้องไปบอกให้หยุดให้เว้นเว้นได้เองด้วยปัญญาด้วยความเข้าถึงการภาวนาเมตตาเนี่รักก็จะรักกันตลอดชีวิตได้ รักผู้คองกันจิตใจมันไม่หลงไปผิดออกไปความนึกความคิดความเห็นไม่เห็นผิดนี่เพราะฉะนั้นจะให้เป็นศีลแท้ให้เป็นทานแท้ทำแท้ด้วยการภาวนาเพราะฉะนั้นจึงให้ภาวนาไปด้วยอย่าเพียงแต่ให้ทานรักษาศีล ทำให้ครกทำที่เป็นไปเพื่อจะให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นเพื่อดับทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจนดับทุกข์ไม่เกิดใจเก็บไจน่แหละไปจากทานศีลภาวนานี่ไปจากสติสมธิปัญญาให้มันฝึกหัดปฏิบัติ ปัญญโกน้อมเข้ามานี้ได้อธิบายขยายความอย่างการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยว่ามีกายใจของเราเป็นที่ตั้งกายใจของเราเป็นโจ์เป็นตัวโจ์สติสมาธิ ปัญญาณชอบนี่เป็นตัวบวกตัวลบเพื่อให้มันลงตัวในความเป็นจริงให้ให้ลงได้ผลลัพธ์ตามความเป็นจริงคือสิ้นสุดความหลงในจิตใจไม่มีแต่ความรู้อันนี้จังทุกขังนิตาตามเป็นจริง ด้วยการปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวมาน้องเข้ามาหาตัวของเราเองไม่ต้องส่งไปเรื่องผู้อื่นเราต้องทำเองปฏิบัติเองมีความเพียรในธรรมเองแล้วก็มันทยันภาวนาพิแพงพิแพงเพียรแพ่ง เรื่องปัญญาณวิจัยวิจารวิตกวิจารณ์ค้นคิดแ่เน่นสิการใครควรในธรรมเมื่อเวลาความรู้ความเห็นเกิดนเกิดขึ้นเองว่าพึ้นทนา่านะจิตเดียวท่า น, นั่นแ่ะสมมวลมวลเหต ปัจจัยแห่งทุกข์ทั้งหลายหมดเชื่อภายในจิตใจลผลก็ไม่มีนี่ถ้าเราพิจารณาไปรรในธรรมะในศีลในธรรมในข้อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจริญภาวนาะระลึกถึง พโทโธธัมโมสังโฆพุทธคุณธรมมคุณเมื่อความรู้ความเห็นประมวลเข้ามาในจิตในใจนะจึงเกิดธรรมสังเวทเกิดธรรมสังเวทเกิดความสะดุดในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีพระคุณอันประเสริฐ พระธรรมมีพระคุณอันประเสริฐพระเรียสอ์สาวกมีพระคุณอันประเสริฐหรือแม้แต่ร่างกายของเราที่เราเกิดแก่เก็บตายมาแล้วเล่าเล่าก็เป็นวัตถุก็เป็นกายอันประเสริฐของเราจิตใจที่เรามีมาครองมาใสยในกาย ก็เป็น จ, จิตใจอันเพรื่งว่าจะเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของบิดามารดาคุณของครูชาอาจารย์คุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายจะลงถึงจิตถึงใจเขามีความสุข นี่ประชุมรวมลงได้เห็นได้ด้วยการเจริญสมาธิภาวนานี่แหล ะ, จะเจริญสติสมาธิปัญญาแต่เราไม่ได้น้อมลงมาในทางแห่งคุณธรรมเรานึกเราคิดอะไรก็คิดไปตามเรื่องความหลงตามเรื่องกิเลสเรื่อง วิชาโมหะโทษามันเข้าไปเจริญแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอวิชชามืดไปท่านยังว่ามืดไปมืดมามืดไปมืดมามาเกิดชาตินี่เขมืดมาแล้วก็มืดไปเกิดเนี่ยยังว่ามืดไปมืดมามืดไปมืดมาจนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ท่านเือว่าสงไขมหากรนี่หลงตามวิชาของกิเลสเพียรแท่งมีศรัทธาเชื่อมั่นเลริญสตินี่แหละตั้งใจภาวนาให้ พุโทโธพุโทโธพุทโธนี่ไม่ว่างเว้นจากความลู้ความระลึกลูกให้ต่อเนื่องกันถ้าต่อเนื่องกันได้เป็นปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบั น, จจบนต่อเนื่องกันได้สิบสองชั่วโมงเนี่ยมก็จะเห็นรถเห็นชาติสัมผัสรสชาติแห่งธรรม รสชาติแห่งสติธรรมสมาธิทาได้ทีนี้มันก็จะมันก็จะเสวยทนว่าเสวยความสุขในสมาธิถ้ามันต่อเนื่องกันอยู่สามวันเจดวันหรือ15วันมันก็จะลึกซึ่งเข้าไปสุดท้ายมันมันก็จะไปหลงอีกลรืทีนี้ แต่จะไม่เอาอะไรและจะเอาแต่อันนั้นเองล่ะนี่มันก็จะผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เท่าท่านจึงสอนด้วยว่าให้เดินปัญญาที่นี่ถ้าถ้าถ้ามันไปติดอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนสิบห้าวันสิบห้าคืนแล้วมันก็จะหลงอยู่ไปเป็นปีเป็นเดือนไป ก็ไปเอาไปเข้าใจเออเป็นที่สุดที่สุดของธรรมคำสอนของพุทธเจ้าคงมีเท่านี้แหละแน่นแต่เป็นความหลงอีกละความหลงความเผลอเอพราะมันยังไม่ใช่มันเป็นเพียงแต่ว่าตะกอนทั้งหลายมันนอนก้นแก้วคนขวดมันยังไม่เป็นน้ำมันบริสุทธิน้ำยังประกอบด้วยตะกอนอยู่ ต่เมื่อต้องคิดคน้นมาต้มมากันเอามากลองนั่นเหมือนจึงจะจบกันได้เึ่นว่าต้องมาเดินปัญญาเห็นมันเห็นถ้ามันประชุมลงอันนี้จังทุกครั้งนัตตาหรือประชุมลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาในความรู้สึกในความรู้ความเห็นนั่นก็จบกันได้ ท่านเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาตามเป็นจริงก็จบคมจัน จ, จบข้อปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะปฏิบัติต่อไปอีกถ้ามันยังไม่จบอย่างนั้นก็ยังยังไม่จบยังไม่จบก็ต้องเพียพรภาวานาต่อไปอีกนปน่วมันจะจบนั่นแหละ หมายถึงว่าสิ้นสุดทุกโดยสิ้นเชิงสิ้นสุดทุกในปัจจุบันเนี่ยเวลานี่ขณะ น, นี่เราเอานาทีนี่ขณะ น, นี้ให้มันจบนาทีนี่ขณะนี้ไปเชื่อก่อนถ้าประมาทเรไม่ภาวนาทนอดทุลปล่อยคิดใจมันคิดปุุงไปตามความอยากค้อง นา่แหละนาอะไรก็เสริมมันไปนั่นเรียกว่าไม่ภาวนาเรียกว่าตกอยู่ในวงแห่งวัฏฏะสงสารนี่แหละเกิดมาแก่เก็บตายทุกข์ยากลำบากอยู่หากินเป็นโลกเป็นภัยเกิดมาอายุอย่างนั้นไม่จบสิ้น แ, แต่ซ้ำไม่น้ำก็ต้องตกไปในภพภูมิที่ ทุกทรมานตัวนี้ไปอีกทุกทรมานตัวก า, การได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติยังมีทรมานทุกเลยก็จะอยูย่อย่างนี้เพราะฉะ น, นี้ความเพียนจเจริญสติสมาธิและปัญญาภาวนานนละเชงจจ พบที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้อธิบายธรรมะเรียกว่าเป็นการต่อความภาคความเพียรจากวันนี้มาวันนี้วันหน้าจากวันนี้วันนี้นี่ก็ใกล้จะถึงสิ้นปีตามสมมุติแตเรียกว่าพูดธรรมะ มีความกล้าหาญไม่อ่อนข้อไม่อ่อนข้อกับอิเลสความหลงความหลงมันหลงอยากมีความสุขอยู่แค่นั่นเด้ความสุขในการนั่งการนอนนอ น, น, อนสบายอยากกินอะไรก็ให้ได้กินนี่ความอยากมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ตามความอยากวันนี้เรามีอาหารรสชาติดีรีบพ่เข้าไปก่มีความสุขอยู่อะไรๆๆแต่เดี๋ยวข้างหน้ามันจะเป็นไหมมันไม่เป็นมันเปลี่ยนแปลง น, น, นั่นหมียว่ามันหาไม่ได้หาความสุขในการนั่งการนอนการยืนการกินการ พูดการจาอยู่ธรรมดาธรรมดานมันไม่เป็นความสุขอันแท้จริงเป็นความสุขหลอกๆลอกลงลงมาหลงกันอยู่เนี่ยทุกข์ยากลําบากในกจิตใจนั่นแหละเป็นผู้รับรู้ไม่ใช่อะไรดอกแต่ธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรดอก แต่อาการที่มาให้เป็นว่าเขาทุกข์น่คือความหลงความอยากหลงแล้วก็อยากอยากแล้วก็ทุกข์เมื่อไม่เป็นไปตามความอยากนั่นแหละจริงว่าตามวัตตัญหาภาะวะตัญหาิภาวะตันหานเพราะฉนั้นจะทำให้มันสิ้นสุดต้องภาวนาภาวนาอย่างเดียว สร้างสติให้กล้าปัญญาให้สมบูรณ์ให้กพ่นไปได้ทะลุกออกไปได้ยินได้ฟังแล้วจงมณะสถิการน้อมเข้ามาสู่ใจสอนจิตใจด้วยปัญญาให้เชื่อมั่นให้เห็นประโยชน์ให้เห็นโทษของความ ที่เกลียดชี้ข้างความไม่เอาใจใส่ในการฝึกสติให้ต่อเนื่องปัญญาให้เสียบแหลมถ้ามันถ้ามันเห็นโทษเลยมันมันก็แปลกเหมือนกันละ่ะ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันกับคนถ้าถูกเขาตีหัวแล้วไม่รู้ว่ากําลังมันมาแต่ไหนแต่ก่อนก็ยังกลัวเขาอยู่หล่ะ <c oughs> ถ้าเขาตีหัวแล้วที่มันฮึด <c oughs> ขึ้นที่เนี่ย โอ้มันก็ตยีลับคืนได้ตีลับคืนจนสามาะว่าฆ่าเขาให้ตายได้เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันมันต้องเห็นโทษของกิเลสที่มันกอมเราให้หลงความสุขของมันแต่มันกลับเป็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นโทษของมันหรือว่าโกรธให้มันโกรธให้กิเลสโกรธให้ตัวของเราเองนี่แหละว่าไม่เอาไหน ภ า, าวนาพุโทโธพุธโทโธไม่เอาไหนจะนั่งภาวนาต่อสู้ความทุกข์ก็ไม่เอาไหนจะ อ, อดหลับอดนอนภาวนาอดอาหารอดนั่งภาวนาให้มันนานๆเพื่อให้มันรู้ต้นสายปลายเหตุของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น มันก็ไม่เอาการเอางานมาเห็นโทษของตัวเองที่ถ้ามันนึดสู้ตายเป็นตายะนั่นะมันจะสำเร็จได้ตรงนั้นท่า น, นได้ยินได้ฟังแล้วออปัญญิ โ, นโกนอ้อมเข้ามาสู่ใจน้อมจิตน้อมใจล ง, งพฤชิตปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระ เ, เจ้าผลสำเร็จก็จะเป็น เราเป็นผู้ได้คองเป็นสมบัติของเราเองด้วยหน้าแทงวุญูุสนุณงามความดีที่ได้กระทาบงเทนญบพฤิปติปฏิบัติธรรมะขอจงรวมเป็นพาระกำลังหนุนนำความาคความเพียรให้มีกำลังวิความเพียร ค, คยนันติอดทนให้กล้า ปัญญาให้เสียบแหลมปารธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทางธรรมะขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ